ธรรมชาดกแผ่นที่4ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19มีนาคม2548มีชื่อเรื่องว่ายอมเป็นสิทธ์สามเณรปกติวัดของหลวงพ่อ ไม่ได้มีการประชมทุกวันมีแต่เฉพาะวันพระ8 15, คำ่ำ15บ้าค่ำปฏิบัติกันมาเป็นเวลานมนานติดต่อกันมาตั้งแต่ถ้าจะว่าไปเลยตั้งแต่เริ่มสร้างวัดแต่มีครั้งนี้แหละที่มีนิสิตนักศึกษาเข้ามาบวชกับวัดหลวงพ่อตั้งแต่วันที่5้หลวงพ่อก็พยายามลงโบส เรยกวงาลงสาราทุกวันตอนเช้าก็ให้โอวาดเป็นตามปกติหลวงพ่อก็ให้โอวาดตามปกติถ้าจะให้แต่เฉพาะวัน8ค่ำ15าค่ำก็น้อยเกินไปสำหรับผู้เข้ามาศึกษาก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่นี้นักศึกษาที่เข้ามาบวชหลวงพ่อถ้าจะว่าไปก็คือให้ความสำคัญ มีการอบรมมีการไหว้พระธำวัดยอรทวัดเย็นจากนั้นก็มีการพูดให้แนวความคิดในภาคปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้ศึกษาและปฏิบัติมาจากนั้นก็ได้ฟังเปิดเทบหลวงปู่หลวงตาให้ฟังอีกเป็นการเสริม สติปัญญาเข้าไปอีกแก่พร้อมกันก็ให้นักศึกษาค้นคว้าเองบ้างแต่ลุงพ่อก็ให้ขีดความจำกัดว่าการเข้ามาบวชในครั้งนี้มีเวลาน้อยเราจะไปค้นคว้าในตำรับตำราอย่างเดียว ก็คงจะหมดโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมในภาคปฏิบัติเพราะนั้นเรื่องภาคปฏิบัติถือว่าเป็นหัวใจในการบวชในครั้งนี้เป็นจุดที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งส่วนการศึกษาในภาคปริยัติคืออ่านตำบตำรานั้น ถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ออกมากว่าการศึกษาทางฝ่ายปริยัตนั้นให้สัก 20% ส่วนภาคปฏิบัติกิจตักภาวนานี้ควรจะเป็น 80% สําำหรับผู้เข้ามาศึกษาถ้าว่าเราศึกษารู้บุญรู้คุณรู้ในภาคปฏิบัติแล้ว ปริยัดการศึกษาค้นคว้าเป็นไปเองแต่ถ้าว่าเรามาปฏิบัติแล้วไม่ได้รับผลภาวนาไม่เป็นท่าไม่ได้รับความสงบทาง จ, จิตใจความสนใจที่จะค้นคว้าตํำรับตารานั้นน้อยถ้าจะค้นควา้ากับค้นคว้าเป็นเครื่องประดับสติปัญญา ที่จะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนั้นคงไม่ได้คงไม่ได้สนใจเท่าที่ควรแต่ถ้าหากว่าพวกเราเข้ามาในครั้งนี้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจิตตภาวนาจนถึงจิตเข้าความสู่ความสงบได้แต่รู้รสของพระธรรมพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าชี้แผนที่ให้พวกเราเดิน เดินแผนที่ไปอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราเดินตามแผนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางถึงจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ถึงระดับหนึ่งตามที่แผนที่บอกเอาไว้มาจุดนี้เป็นอย่างนี้นะจุดนี้เป็นอย่างนั้นนะพวกเราได้รับสัมผัสในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เขียนแผนที่เอาไว้ เพียงแค่นี้พวกเราก็มั่นใจก็พร้อมที่จะอยากจะศึกษาต่อไปเพราะรู้รสของพระธรรมแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเท่าที่ควรเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติมีแต่ศึกษาตามตำราเฉยๆไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็ไม่มั่นใจในตำรานั้นด้วยว่ ตำรานี่มีบอกจริงหรือเปล่าถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าเป็นอย่างที่ตำราบอกหรือเปล่าอย่างนี้พราขาดการปฏิบัติเดียวนั้นในเรื่องปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในหลักของพุทธศาสนาพูดอย่างนั้นเลยก็พูดอย่างนั้นเลยก็ได้ประยัดปฏิบัติปฏิเวทแต่ทิ้งยังไงก็ต้อง เรียนซะก่อนเข้าใจซะก่อนแต่ว่าการเรียนและการเข้าใจเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียนจบพระไตรปิฎกซะก่อนจึงจะปฏิบัติเรียนรู้แนวทางที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนจากท่านลงมือปฏิบัติพระในครั้งพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นในพระไตรปิฎก ท่านก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายเพียงแต่เข้าไปฟังพระธรรมคําคสั่งสอนของพระเจ้าพระองค์ให้พิจารณาอย่างนี้กําหนดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ท่านก็ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายเพราะนั้นการศึกษาเราจะเรียนรู้โดยมากการศึกษาบางทีเรียนรู้ไปมากๆ ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาแก้กิเลสเหมือนกันสับสนวุ่นวายไปหมดหยกตัวอย่างจังท่านโปทิรัตท่านเรียนจบพระไตรปิฎกในครั้งพระพุทธเจา้าเป็นผู้สั่งสอนพระสงฆ์หลายคณะที่เป็นสิทธิ์ของท่านผมพูดในพระไตรปิฎกว่าพระมีทุกสิทธ์ท่านมีทุกสิทธ์ถึงห้าร้อ แต่ท่านก็สอนทางฝ่ายปริยัติแต่ตัวของท่านเองท่านกงไม่ได้ปฏิบัติรู้มกักสำเร็จมักผลแต่ท่านก็สอนตุกสิทธลุกหาที่ได้เรียนรู้มาอย่างไรท่านก็สอนไปทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นอุปนิสัยของพระโพธิรัตน์ว่าพร้อมที่จะสำเร็จมกักสำเร็จผลได้ ว่าท่านสําเร็จมรรคสาเร็จผลได้ท่านได้ถ้าท่านได้สำเร็จแล้วทางด้านได้ทางจิตใจ ไ, ได้ทางความรู้ภายนอกท่านจะเป็นผู้แตกฉานในอัดในธรรมและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซีแจงทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่นี่โพธิรัตน์ท่านเหมือนกับท่องบุงหรือกระดาษทรายชอบขัดแต่คนอื่นแต่ตัวเองครูขระยังไม่เตรียบร่ายังไม่ราบรื่น เพระนั้ตองค์เห็นอุปนิสัยของท่านเวลาโปธิรัตท้าทระโปธิรัตเข้ามากราบท่านก็บอกว่าโปธิรัตโปธิรัตแปลในความหมายก็ว่าท่านใบลานเปล่าใบลานเปล่าเไม่ใบลานไม่มีหนังสืออย่างนั้นอ่ะใบลานเปล่าโปธิรัตโปธิรัตใบลานเปล่าพอเข้าไปกราบทีไรกราบพระพุทธเจ้าทีไรพระพุทธเจ้าก็ทักอย่างนั้น กรสุดุ่งทุกทีก็พิจารณาตัวเองดูก็เอจจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกตรัสเพราะตัวเองก็ปดเป็นผู้ไม่มีทำความหลุดพ้นในจิตใจจริงๆเหมือนกับใบาลานเปล่าใบาลานไม่มีตัวหนังสือเวลาจะกาลาากลับพระพุทธองค์กนเป็นไงโพรเทลัตจะกลับได้เหรอ มีแต่โพธิลัตนำหน้าอยู่ตลอดใบลานเปล่านำหน้าอยู่ตลอดทำให้ท่านคิดหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันหนึ่งท่านก็ตัดสินใจหนีจากหมู่คณะเวลากลรมกลางคืนที่ท่านสอนอยู่พระตงเยอะแยะท่านหนีออกไปกลางคืนไปตามลำพังพอจากนั้นไปท่านก็เข้าไปพบกับพระที่อยู่ในป่าเป็นจำนวน 30กสรูปและก็มีสัมมาเนน้อยอง์หนึ่งท่าน ก, ก็เข้าไปกราบพระเถระที่มีอายุพันษา ม, มากกว่าท่านบอกว่ากระผมขอเรียนกรรมฐานจากท่านแต่ทั้งที่ท่านก็เรียนจบพระไตรปิฎกแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาแก้กิเลส ข, ของท่านนี่แหละสรุปแล้วก็คือที่โบราณโบราณเขาบอกว่า ความรู้ท่มหัวเอาตัวไม่รอดในลักษณะอย่างนี้คือท่านก็เรียนรู้หมดทุกอย่างแต่ไม่รู้จะเอาจุดไหนมาแก้จิตใจของท่านเองท่านก็เข้าไปกราบพระเทเระที่เป็นหัวหน้าที่มีอายุพรรษามากกว่าพระเทระท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านบอกเออมองดูแล้วไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านที่ท่านจะสอนท่านก็มองถึงท่านไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านที่ท่านจะสอนได้ ท่านต้องใช้อุบายอีกที่าเอออาจารย์ก็รู้เรียนรู้พระไตรปิฎกมาจบปริบูรณ์สอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งมากมายอาจารย์น่าจะเก่งกว่าพวกผ ม, มรู้กว่าพวกผมแล้วอาจารย์ยังจะมาเรียนมาศึกษาอะไรกับพวกผมอีกแต่ท่านอาจารย์ก็ยอมบอกว่ากระผมเรียนสอนจริงอยู่เรียนรู้จริงอยู่สอนลูกศิษย์ลูกหาจริงอยู่แต่ในภาคปฏิบัตินั่นกระผมยังย่อหย่อน ยังไม่สามารถที่จะชำระใจของตนตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสได้จุดนี้เป็นจุดที่กระผมจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นจริงๆรงิแต่ท่านพระเทรซาท่านก็ฉลาดก็ยังว่าไม่ใช่อุปนิสัยที่จะสอนองค์ท่านที่จะสอนได้ท่านก็เบี่ยงบายไปให้องค์ที่สองไปเรียนจากองค์ที่สองนะองค์ที่สองเขาเก่งนะ ไม่เก่งได้ยังไงถ้าเป็นพระรหันต์เหมือนกันเนี่ยถ้าเก่งนะพร้อมที่จะสอนได้ไปหาองค์ที่สองเถอะนะครับอาจารย์แล้วก็ให้โปธิลัตไปเรียนองค์ที่สององค์ที่สองก็ถามอีกเบี่ยงไปองค์ที่สามอองค์ที่สามก็เก่งนะเก่งได้เป็นพระรหันต์เหมือนกันก็เบี่ยงไปองค์ที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดจนผลสุดท้ายไปถึงเนนน้อยไปถึงเนนน้อยเนนน้อยก็เป็นพระรหันต์อีกแต่เนี้ยพระ องคนั้นเขบอกนะไปหาเนเน้อยเนน้อยเขาเก่งนะนก็ไม่เก่ ง, งไงเพราะเป็นเนน้อยก็เป็นพระทหารอีกเหมือนกันถึงจะเป็นเนน้อยก็จริงอยู่แต่จิตใจของท่านเป็นมหาเถระเหมือนกันเถอะท่านก็ไปกราบอีกไปหาเนน้อยอีกเนนสอนอ า, อาจารย์ด้วยนะสอนผมด้วยในภาคปฏิบัติเนน้อยกขาบอกว่าอาจารย์เรียนจบพระไตรปิฎกแล้วจะมาเรียนศึกษาอะไรจากผมผมก็เรียนลลงมือปฏิบัติตท่านเองให้แตกฉานในอัดในธรรม ในปริยัตินั้นผมก็ไม่กล้าที่จะสอนอาจารย์ได้เอาเถอะเนนมีรู้อย่างไงสอนผมได้อย่างนั้นผมจะเชื่อฟังเนนเสมอเนนนนก็ไม่รู้จะทิ้งไปที่ไหนพระองค์สุดท้ายแล้วก็เออถ้าหากว่าอาจารย์จะเชื่อคําของผมก็ผมก็จะสอนให้อาจารย์ก็เออทามาเนนพูดยังไงเราเราจะเชื่อเราจะปฏิบัติตามอย่างนั้นทั้งหมดถ้าอย่างนั้นก็ตามหลังพบไปอาจารย์ กันพาธีแลก็เดินตามหลังเนนน้อยไปพอไปถึงเน้นพอไปถึงในป่าข้างทางมันเป็นป่าทั้งสองฝากทางเนนน้อยก็ลองอาจารย์เลยอาจารย์เข้าป่าเลยสิเหมนแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ถามว่าทําไมให้ให้เราเข้าป่าเนนน้อยมีเหตุผลอะไรอาจารย์ไม่ถาม มีน้อยก็ไม่ให้เหตุผลบอกอาจารย์เข้าป่าจ้ะอาจารย์นั่นอาจารย์ก็เดินเข้าป่าช่วงช่วงเข้าไปในป่าเข้าไปเลยอาจารย์อาจารย์กลับมากลับมาก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรพอกลับมาเสร็จแล้วแบบเดินตามหลังไปอีกอเดินอะไรเดินตามหลังผมมาพอไปเห็นสระน้ำํำจุข้างทางเอออาจารย์ลงน้ํำเลยอาจารย์ลงน้ำเลำยซิไม่ต้องนั่นแหะเดินลงไปเลย อาจารย์ก็มีทั้งผ้าจีวรผ้าสังฆาฏิยังคลองอยู่อาจารย์ก็เดินลงไปในน้ําอีกเดินซ่วมๆลงไปพอผ้าจะเปียกเนนน้อยก็เรียกอาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาขึ้นมาพอละแต่ก็ไม่ได้ถามเหตุผลว่าทำไมให้ลงน้ำํทำทําไมให้ขึ้นมาเนนน้อยก็ไม่บอกอาจารย์ก็ไม่ถามอเนนน้อยก็รู้ว่าี่อาจารย์หมดทิฏฐิมานะสอนอะไรเข้าไปคงจะรับทั้งหมด เนี่ยพระอรหันท่านฉลาดถึงขนาดนั้นนะถ้าจะว่าไปแล้วนอกเหตุเหนือผลพวกเราคาดไม่ถึงปุตุชนทั้งหลายคาดไม่ถึงว่าท่านต้องการอะไรที่ท่านบอกนะเข้าป่าล ง, ล ง, ลงน้ำํำท่านเหนือกว่าปุตุชนท่านต้องการอะไรท่านต้องการเพียงแต่ว่าที่เราบอกไปเนี่ยยอมรับไหมถ้ายอมรับทุกอย่างที่เราบอก เวลาเราสอนอะไรก็จะยอมรับทั้งหมดถ้าก่อนยอมถ้ายอมรับทั้งหมดนั่นละ่ะเราจะสอนธรรมะเข้าไปเขาจะเป็นเขาจะเชื่อฟังเมื่อฟังลราปฏิบัติตามเขาจะได้สําเร็จมากสําเร็จผลอแต่ถ้าว่าสอนอะไรเข้าไปต่อต้านทั้งหมดเออ้นน้อยเราให้เข้าป่าทําไมไม่มีเหตุมีผลบอกเหตุผลสิก่อนที่จะเข้าไปเพราะอะไรทําไมเน้น้อยก็จะไม่สอนธรรมะให้แบบนั้นแปลว่า สอนธรรมะไม่เข้าเพราะมันปิดหมดแล้วในใจเน่พราะนั้นเน้นน้อยไม่ใช่ธรรมดานะเน้นน้อยพระหานจากนั้นก็พอเข้าป่าเสร็จเรียบร้อยลงน้ำเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ทำตามหมดอ่ปะป่ะอาจารย์ไปก็ไปนั่งอยู่ที่หนึ่งที่เป็นที่สบายเนนน้อยก็ทำอธิบายธรรมะอะไรสิอาจารย์ อาจารย์ให้สังเกตคําพูดของผมนะให้สังเกตและที่เราจะติดตามและก็คิดดูที่ผมจะเรียนอาจารย์ให้รับทราบผมจะสมมุติขึ้นมาเลยนะสมมุติว่าสมมุติจอมปลวกแข่งหนึ่งในจอมปลวกนั้นมีรูอยู่ห้ารู แต่ในจอมปลวกนั้นมีเฮี้ยตัวเงินตัวทองอยู่อยู่ตัวหนึ่งมีตัวเงินตัวทองอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวกนั้นมันจะออกหากินในรูต่างๆของมันเพราะนั้นอาจารย์ให้สังเกตมันจะออก รูนั้นรูนี้ออกหากินแต่ถ้าท่านอาจารย์จะจับเฮี้ยตัวนั้นให้ได้จับตัวเงินตัวทองตัวนั้นให้ได้อาจารย์อาจารย์ต้องปิดรูแล้วก็เอาไว้รูหนึ่งสำหรับเป็นรูขุดเข้าไปปิดรูทั้งหมดจำนวนที่กลัวเฮี้ยจะออกไปแล้วก็ขุดตามรูที่ เอาไว้เนี่จากนั้นเขาพยายามลงไปหาลูดักให้ได้ถ้าเมื่อขุดลงไปถึงลูดักแล้วก็จับเฮียตอนนั้นได้อาจารย์อาจารย์พอเข้าใจไหมที่ผมพูดอาจารย์เข้าใจเข้าใจสมณีนเข้าใจอ่ะไปถ้าเข้าใจแล้วก็ไปไปพิจารณาปฏิบัติาอาจารย์นะเน้นน้อยสอนเพียงแค่นั้นล่ะ ก็หันหลังให้กันจากนั้นพันก็เป็นนั่งภาวนาพิจารณากาหนดคือร่างกายนี่คือจอมปลวกร่างกายของคนเราเนี่คือจอมปลวกเหี้ยใหญ่นคือใจมันออกทางตาทางออกทางหา ก, กินของมันตาไปเห็นรูปเป็นยังไงเกิดความเกลียดความโกรธความรักความชังราคะโทสะโมหะเพราะตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียง เสียงด่าเสียงจกย่องสรรเสริญเสียงอะไรจิตใจมันเป็นยังไงกับเพื่อนหวั่นไหวเฮียมันออกไปหากินไปรับรู้รับทราบทางหูทางจมูกเป็นยังไงทางลิ้นเป็นยังไงรสอะไรอร่อยติดในรสเป็นยังไงกลิ่นหอมไปยังไงในจมูกสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลสัมผัส เนียนนุ่มเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นหนทางของเหี้ยใหญ่ออกไปหากินทั้งนั้นประตูของเหี้ยใหญ่พรุนนั้นให้ปิดประตูอย่าไปรับรู้ทางตาตากระสักว่าตาเห็นแต่รูปกระสักพ่รูปหูกระสักว่าหูเสียงกระสักว่าเสียงสักแต่ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถสัมผัส เพียงแต่สักว่าน่นะทีนี้กับพอมันออกไปก็จับตัวผู้รู้ได้เท่าไหรจับใจได้จับตัวผู้รู้ได้ในขณะนั้นทราบว่าพระพุทธเจ้ารู้ประวัจิตของท่านโพธิรัต ท, ท่านก็เพ่งอำนาจกระแสะจิตมาสอนอีกท่านก็เลยสำเร็จเป็นพระอราหารันต เป็นผู้แตกฉานในอัดในธรรมแตกฉันในพระไตรปิฎกแนะนําสั่งสอนญาติโยมพี่น้องประชาชนเป็นผู้แก้วกล้าอกอ ง, งาอาจกล้าหารองค์เนึ่งเพราะท่านชํานาญอยูการสอนอยู่แล้วนี่นะเป็นกําลังในพระพุทธศ า, าสนาอีกท่านหนึ่งในเมื่อได้ทั้งทางนอกได้ทั้งทางในบาานีข้างในของท่านก็เป็นพระอรหรันต์้างนอกกบเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญรอบรู้เอ ในการสั่งสอนแก่สารุสิ์ทั้งหลายนี้แหละถ้าจะว่าไปปริยัติที่ท่านปูริธิรัตน์ท่านเรียนก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าช่วงยังไม่ปฏิบัติยังไม่ได้ปริยัติของท่านก็ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเผลอๆยังเป็นพิษเป็นภัยสำหรับเท่าตัวของท่านอีกถ้าใช้ไปนในทางที่ไม่ถูกต้อง แต่เมื่อท่านจิตของท่านหลุดพ้นแล้วปริยัติของท่านก็เกิดประโยชน์มหาศาลได้ทั้งปฏิบัติได้ทั้งปริยัติแต่ในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะเน้นในภาคปฏิบัติมากกว่าอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดสรุปธรรมที่โคลนต้นโพจากนั้นท่านจึงสอนเป็นปริยัติสอนญาติโยมจุกส์ลูกหาพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ที่ได้ยินก็คือออกมาจากท่านปฏิบัติได้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงนําประธรรมคําสั่งสอนออกมาเผยแผ่เป็นของจริงจากนั้นมาท่านเขียนประยัดให้พวกเราเป็นแผนที่จากนั้นพวกเราก็เดินตามเดินตามแผนที่แทบตามว่าพวกเรามีความตั้งใจศึกษาแผนที่ให้ดีครูบาอาจารย์แนะนําเออสมาธิเป็นอย่างนี้นะ กำหนดภาวนาอย่างนี้นะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กับตัวเองอย่าไปเผลออันนี้คือวิธีการปฏิบัติเบื้องตน้นสำหรับผู้ริเริ่มใหม่กำหนดนั่งภาวนาการนั่งภาวนาผู้ที่ศึกษาใหม่หรือผู้ปฏิบัติใหม่บางท่านบางคนไม่รู้จะทำยังไง เวลาจะนั่งสมาธินี่มีการยกครูไหว้ครูไหมมีการทำอะไรไหมเราจะไปนั่งที่ไหนเราจะไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์องไหนที่จะยกครูท่านท่านจะได้สอนหรือเราจะทำยังไงเราจะไปนั่งแต่เฉพาะหน้าพระประธานนึพระพุทธรูปไหมหรือจะเท่าจะทำยังไงแต่ตามไม่ยิงการภาวนาถ้าจะว่าไปแล้วก็เลือกสถานที่เหมือนกัน เสานาชนะสับปะยะถ้าเป็นพระสงฆ์นะคือว่าหาเสานาสนะที่จะปฏิบัติน่ยต้องเป็นที่สงบพอสมควรก็ไม่ถึงกับว่าสงบจนเงียบป่าโรงพงไพ่จึงค่อยปฏิบัติก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราจะนั่งอยู่ในรถในราเราจะไปที่ไหนก็ตามแต่เป็นมุมที่สงบพอสมควรไม่ใช่วันเสียงดนตรีหมอลำขับร่องแสบแก้วหูจัดแจ๊จะไปนั่งภาวนา มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แปลว่าสถานที่อย่างนั้นไม่เหมาะที่จะปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่วุ่นวายเป็นสถานที่ขัดข้องไม่ใช่สถานที่สง บ, งบเงียบแต่ถ้าว่าเรานั่งในรถหรือนั่งไปในสถานที่ใดเป็นสถานที่งบสงบพอสมควรเราขอกำหนดภาวนานหรือกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกที่ไหนก็ได้ ว่าเป็นที่เหมาะสมก็คืออยู่ในที่สงบหลีกเล่นอยู่ในป่ารงพงไพยอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวกหรืออูบายอาจารย์หลวงปู่ต่างๆที่ท่านเขียนในประวัติของท่านอยู่ตามลำพังอยู่ที่แจง้งรอมฟางป่ารงพงไพยเงื่อเห็นเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำตามลำพังหรือว่าอยู่ในอย่างวัดป่าของเราไปอยู่กุฏิสง บ, งบเงียบที่หลบที่เล้นมี มากทำหนบไม่เป็นที่คลุกคลีวุ่นวายกับหมู่กับคณะเป็นสถานที่สงบในเมื่อเห็นแต่สถานที่สงบแล้วเราจะทำยังไงแต่ถ้าว่าเราจะพักผ่อนนอนในสถานที่สงบนั้นอย่างที่พวกเรามาพักอยู่วัดป่าอย่างเนี้ยเราก็เสร็จแล้วเราก็ไหว้พระกราบพักหัน กลับไปทางที่ศีรษะของเราหันไปทางไหนแล้วก็กลับไปทางนั้นกลับไปลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงเราจะไม่มีพระพุทธรูกแต่ใจของเราราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกขนทุกแห่งคืออยู่สรุปแล้วก็คืออยู่ในใจของเราที่เราระลึกถึงอย่างคุณพ่อคุณแม่ของเราน่ะเราไปถึงถึงท่านยังกลาวท่านไม่ใช่เรากระกาบคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อกุณแม่อยู่ที่ตัวของเรา พระคุณของท่านเต็มในตัวของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อย่างนั้นแหละที่ท่านแนะนำสั่งสอนอบรมพระธรรมคือคําสั่งสอนพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติเราเชื่อเคารพในพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็นำมาปฏิบัติตามที่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเมื่อกราบเสร็จแล้วเราก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือถัเมื่อ ขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วทํำกายให้ตรงจากนั้นประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้พระพุทธเจ้าในใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสมจบจากนั้นเราก็เอามือลงในขณะที่เอามือลงเราจะแผ่เมตตาก่อนก็ได้ขอเข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเข้าไปเจ้าเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขคือปล่อยวางให้จิตใจของเรา ไม่ถือโทษไปถือโทษโกรธเครืองกับใครๆทั้งหมดทุกคนให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือการแผ่เมตตาแบบพูดย่อๆแต่ตีความหมายมากพูดเพียงแต่ว่าตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขเพียงสองคำแต่ความหมายนั้นเราให้อภัยทุกคนทุกวิญญาณข้าพเจ้าจะไม่ถือโทษโกรธเคืองกับใครทั้งหมด ขอผู้อื่นก็คงจงอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุขขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขจากนั้นเราก็นั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ตามไม่จริงกรรมฐานภาวนาพุทโธไม่ใช่กรรมฐานของผู้ใดใครผู้หนึ่งนะเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดจรู้วันที่ตัดจรู้ที่โคนต้นโพนะกำหนดลมหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก แต่ท่านไม่ไม่ได้บริกรรมพุทธโธนะแต่พวกเราเอาพุทธโธเขาอีกเพื่อจะให้มีหลักยึดในการภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธไม่ให้ส่งจิตไปทางอื่นถ้ามันเผล่พรับไปกระดึงกลับคืนมาพยายามบังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะนั่งนานไหมอันนี้ก็คือมีคําพูดถามมาหลายครั้ง หลายคนเราจะพยายามนั่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เรานั่งทําอย่างอื่นเรานั่งได้แต่เรานั่งปฏิบัติธรรมเราทำไมยังนั่งนานไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นต้องบังคับให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อันดับครั้งแรกรจะตั้งนาฬิกาดูก็ได้ <Okay. S 1> นั่งนาฬิกาตั้งนาฬิกาดูเราจะนั่งนานขนาดไหนแต่ถ้า ต่อไปแล้วไม่จาเป็นแต่เมื่อเรานั่งรู้แล้วเราไม่จาเป็นจะต้องตั้งนาฬิกาเพราะว่าเรานั่งภาวนาเราไม่ใช่นั่งเอาไวล่่าเวลาเรานั่งเพื่อทำให้จิตใจของเราสงบนั่งสมควรแล้วก็เป็นเวลานั น, น, ก, นออก็ถอดออกถอนออกจากสมาธินี่แหละการปฏิบัติ แต่เมื่อออกจากสมาธิเราข อ, อุทิศส่วนกุศลที่เราได้สร้างคุณงามความดีเราเราได้เอาร่างกายตัวเนี้ยที่ได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยเราอุทิศส่วนกุศลให้ท่านถ้าเมื่อพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่ขอขอให้เจริญยิ่ง้วยอายุวันณะสุ ข, ขลาบยศสรรเสริญสุขแต่ท่านหลวงรับรับขันไปแล้วกอขอให้ดวงวิญญาณท่านมีความสุขตลอดถึงผู้มีพระคุณสำหรับเรา ให้มีความสุขทั่วนหน้ากันจากนั้นก็ออกจากสมาธิอันนี้แปลว่าก่อนหลับนอนหรือว่าตื่นนอนมาเรานั่งสมาธิแต่ถ้าว่าเรานั่งรถหรือว่าเราเดินออกกาลังกายอ อ, อ, อ, ออกจ็อกเกงอย่างนี้เรากดภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยให้มีสติอยู่กับตัวเองได้ทั้งนั้นการภาวนามไม่ได้เลือกสถานที่ยืนเดินนั่งนอนหลับตื่น เว้นเสียตลับเพราะงั้นเถอะตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อหลับใ น, นหมดสิตเพราะงั้นเถอะยืนเดินนั่งอริยบทสี่เป็นโอกาสที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติทางนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะการภาวนาและการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้บอกให้พวกเราได้รับรูรับสพัพแล้วก็ ในภาคปฏิบัติเนี่ยตามตํำรับตาราเลยเนี่ยท่านปูริรัตกับเนรน้อยเนี่พวกเรากคงจะรู้ได้ว่าจอมปลวกนั่นคืออะไรตัวเฮียตัวเงินตัวทองนั่นคืออะไรก็ได้รู้แล้วเนยมันคือใจอาศัยกายอยู่กายอาศัยใจใจอาศัยกายถ้าใจของเราออกจากร่างกายร่างกายก็อยู่ไม่ได้เน่าเฟะคนตายแล้ว เพราะนั่ใจเขต้องอาศัยร่างกายทัวนี้เป็นอยู่อย่างพวกเราที่หลวงพ่อกําลังพูดน่นก็คือความรู้ทางใจอาศัยกายออกมาเป็นเครื่องขยายเสียงอแต่เครื่องขยายเสียงเสียนะี่ยหลวงพ่อจะรู้อยู่ก็าตามแต่มันพูดไม่ออกพราะเหตุใดพวกเครื่องขยายเสียงมันเสียอันนี้ก็คือมีใจอยู่ แปลว่าใช้กายไม่ได้ใจมีอยู่แต่คนตาบอดมันมองไม่เห็นแปลว่าเครื่องมือมันเสียเพราะนั้นกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจะเน้นเรื่องตัวเฮียรนะ์มากกว่าคือตัวใจนะมากกว่ามากกว่ากายตัวใจนะเป็นตัวที่ ทำทุกทำยากกระฟัดกระเฟืดหลายเรี่ยหลายเหลี่ยมหลายสรนหลายคมยิ่เหลลราคโทรศโมหะอยู่ในใจทั้งหมดผลนั้นหลักพระพุทธศาสนาหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงให้เน้นลงจุดที่จิตใจเพ่งลงที่จุดใจเอาความสาคัญเข้าสู่จิตใจจับจิตจับใจเอากรรมฐานจับดูความเศร้าหมองความพองใส ออกมาจากไหนออกมาจากใจทั้งหมดเพราะนั้นหลักธรรมที่พวกเราประพฤติปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยให้ดูใจถ้าเราดูใจเห็นใจปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมแล้วใจของเราควบคุมใจของเราดูแล้วนั่นแหละจะทำอะไรมีเหตุมีผลดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราควบคุมใจไม่ได้ใจแตกกิเลส เข้าควบคุมจิตใจมีแต่โมโหโทโสโกธาไม่มีธรรมเข้าไปคุ้มครองแล้วใจไม่ได้รับการอบรมแล้วหาความสงบสุขไม่ได้เหมือนกับผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้างานหัวหน้างานไม่ได้รับการอบรมที่ดีไม่มีศีลธรรม ปกคองลูกน้องไปยังไงเดือดร้อนฟุ่นวายไปหมดเห็นแก่ตัวเห็นแก่พักเห็นแก่พวก อ, อะไรที่เป็นของตัวเองนละ้เอาหมดอันนี้แปลว่าหัวหน้าไม่ได้ไไดรับไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับได้รับการอบรมให้มีศีลธรรมใจของเราก็เช่นเดียวกันนะั่นน่ะ ทางว่าเอาศีลธรรมเข้าอบรมทางจิตใจแล้วจิตใจมีเหตุมีผลจิตใจของเรามีสติมีปัญญาจิตใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์จิตใจเป็นผ่ารหัสแล้วนั่นละ่ะจิตใจนั่นแหะเป็นจิตใจที่สงบสุขที่สุดปล่อยออกไปที่ไหนก็เป็นธรรมไม่มีคําว่ารูปหน้าปะจมูกไปที่ไหนเป็นธรรมทั้งหมดอบรมแนะนําสั่งสอน ผู้ใดก็ตามเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมชื่อตรงที่สุดเนี่ยผู้ที่หมดกิเลสแล้วถ้าหาว่ายังมีกิเลสอะไรอย่อางอัติสี่มันต้องมีนะไม่มากก็ต้องน้อยแหละว่าวงั้นเถอฉันทาติโทสากติโมหกติพยาคติอรักเพราะเหตุไรพยคติกับพรวกโทสากติ อกติสี่ไม่พอใจเพราะความโกรธความอะไรความรักอะไรมันมีครบทั้งหมดนั่นเพราะฉะนั้นถ้าหมดถ้าเป็นพระอรหันต์หมดว่างั้นถต่สิ่งเหล่านั้นพูดตามความเป็นจริงมีอย่างไงพูดอย่างนั้นเป็นธรรมอย่างไงพูดอย่างนั้นตามเนื้อผ้าตามเหตุตามผลเพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่น่ากราบไหว้สักการะบูชา พระหันอยู่มีกับทุกพร้อมมีอยู่พร้อมที่จะมีอยู่กับทุกคนทางว่าผู้นั้นปฏิบัติได้พระหันอยู่กับพวกเราได้ทางว่าพวกเราทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจแต่ทางว่าเราไม่ชำระก็เนี่ยแหละเราก็เป็นปุถุชนแต่ทางว่าเราชำระใจของเราได้เราก็เป็นพระหันแต่ร่างกายเหมือนเก่าเหมือนเก่า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ใจท่านเองเป็นผู้เปลี่ยนแปลงพระพระพุทธเจ้าท่านก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟภาษาวกทั้งหลายก็ท่านก็มีธาตุสีดินน้ำลมไ ฟ, รมนนมไฟครูบาอาจารย์ที่ท่านวาดได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลท่านก็มีธาตุสีดินน้ำลมไฟแต่ใจของท่านแปกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายจิตใจของท่านไม่เดือดร้อนไม่หมุนวายไม่มีความทุกข์เพราะสิ่งที่จะกวนให้ท่าน มีความทุกข์นั้นท่านชําระหมดแล้วคือกิเลสราคะโทสะท่านชําระหมดแล้วโมหะความรุ่มหลงมัวเมาจะทําให้ท่านกระเพื่อมวุ่นวายทำให้ใจกระเพื่อมวุ่นวายท่านกับชําระหมดแล้วนี่แนหะธรรมพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะที่หลวงพ่อได้ พูดมาหลายครั้งหลายวันหลายรถหลายชาติให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับให้ได้ฟังในประธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประธรรมคำสั่งสอนของคู่บาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาต่อนนี้ไปนั่งสมาธิเลยนะทีนี้